ก็คงจะทำให้หลายคนนะคะที่ได้ฟังก็รู้สึกเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทำต่อบาปหรือว่าละอายต่อบาปนะคะก่อนอื่นขอยืนยันเลยนะคะว่าโลกหลังความตายเนี่ยมีอยู่จริง 100% เปอรอันนี้เป็นความเชื่อของผู้เล่าเองนะคะก็ยืนยันในความเชื่อของตัวเองว่ามีอยู่จริงร้เอซแล้วก็คุณผู้ฟังอย่าได้สงสัยเลยว่าโลกของเรามีอีกโลกหนึ่งที่ทับซ้อนกันอยู่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 อาจารย์บอกว่าเป็นกลุ่มวิญญาณที่น่าสงสารนะคะที่เขาต้องหิวโหวยแล้วก็รอคนทำบุญต่อไปก็คือกลุ่มวิญญาณที่สามคือคนที่ทำกรรมชั่วไว้มากนะคะซึ่งเขาสามารถกินอาหารที่เราทำบุญไปให้ได้ไม่เกินสองวันแต่ถ้าตัวเขาตอนที่มีชีวิตอยู่ทำบุญตักบาตรถวายพระด้วยจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำกรรมดีไว้มากๆเขาก็จะสามารถกินอาหารที่เคยทาบุญไว้ได้อย่างไม่จากัดแต่